ที่ถูกลงเนี่ยมันรังความก็คือต้นไม้ที่มันทุกพลละาพ า, ก, ะาพก็คือต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาผุกก่อนถ้ลมพัดมาตาใดต้นไม้ต้นนั้นก็มีโอกาสที่จะโค่นล้มได้ง่ายท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เอามือลงต่างตมสบายตามสบายก็คุยกันไปตามธรรมดาธรรมดาการประพฤติปฏิบัติธรรม เราก็สวดไปเมื่อสักครู่นี่แล้วว่าชัดเจนที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ผู้ที่เห็นอารมณ์ว่างามตามเห็นอารมณ์ว่างามก็คือเพลิดเพลินสมมติว่าเราเห็นอาหารอย่างเงี้ยอย่างตอนกลางวันเราทานอาหารเห็นอาหารอร่อยอร่อยเราก็เอาเต็มที่พอเอาเต็มที่ปั๊บเน่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ได้สํารวมพอไม่สํารวมทีนี้ มันก็จะมาลังควานเราตอนที่เราทำสมาธิเจริญสติในภาคบ่ายใช่ไหมฮะทานเยอะง่วงนี่คือมันมาลังควานเราเพราะว่าตอนแรกเราตามเห็นอารมณ์ว่างานก็คือชอบใจในอาหารนั้นนั้นีน่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ได้สารวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกดินกายใจเราไปหยิบเอาเข้า มันก็เลยลังควานเราเหมือนกับต้นไม้ที่ทุพลภาพถูกลมลังควานชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นดนการประพฤติปฏิบัติเราสเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าหากเรามีศรัทธาเป็นเบื้องต้นก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำสิ่งนี้ สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ดาพูดไปเมื่อวานเนี่ยเราหาสิ่งที่มีถ้าหาสิ่งที่ไม่มีก็หาไม่เจอแต่ถ้าหาสิ่งที่มีสิ่งที่มันมีอยู่แล้วพือสตินี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรทีเนี่ยเราจะนํามันขึ้นมาใช้ได้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราสิ่งที่มันมีอยู่ในตัว ลายแทงท่านก็ให้ไปแล้วบอกว่าทำยังไงถึงจะหายเจออย่างหลวงพ่อดาท่านพูดก็น่าคิดเหมือนกันท่านตามหาหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนคุยกันไปกันมาก็ไม่รู้จักกันนะจนสุดท้ายน่ยท่ารู้จักโอ้นี่คือหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยเนี่ยทีนี้เหมือนกันเราประพฤติปฏิบัติ เรารู้จักปุ๊บว่าอ๋อสติมันอยู่แบบไหนอยู่แบบไหนอย่างเงี้ยงงยกมือขึ้นเอามือไปเอามือม า, จาเจริญสติเคลื่อนมือไว้ไปเอามือมาเลี้ยวซ้ายแลขวาสติมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราเคลื่อนไหวกําหนดรู้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ย รู้สึกตัวขนาดไหนมันถึงจะรู้เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ที่ผ่านมาที่ท่านรู้ทำนานขนาดไหนอันนี้ไม่มีประมาณขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่าเราพร้อมขนาดไหนสติเราพร้อมขนาดไหนองค์ประกอบเหตุปัจจัยมันพร้อมขนาดไหนทำนานทำช้าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาเป็นประมาณเอาเป็นประมาณอยู่ที่ว่า เหตุปัจจัยตรงนี้มันพร้อมไหม <c oughs> คือตอนที่เราทำเนี่ยมันต่อเนื่องขนาดไหนเพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าตั้งแต่ตอนทำเรื่อยๆไม่เกินเจ็ดปีเจ็ดปีลดลงมาเหลือหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีลดลงมาหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสิบห้าวัน ลดลงมาเจ็ดวันตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันนะก็ลดลงมาเรื่อยๆเเพื่อที่จะให้มันพร้อมที่สุดสติกับการเคลื่อนไหวให้มันพร้อมกันทีนี้พร้อมกันขนาดไหนถามครูบาอาจารย์หลายท่านนักปฏิบัติหลายคนบางคนปฏิบัติมาเป็นห้าปีสิบปียี่สบปีสาสิบปี ก็แล้วแต่บุคคลคนนั้นคือมันพร้อมกันตรงที่ว่าเรายกมือขึ้นเอามือไปเอามือมาก้าวเดือนไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังเดี่ยวซ้ายแล ข, ขวาหยิบโนนจับนี่ถ้าเราทาได้มันต่อเนื่องกันสติกับการเคลื่อนไหวกายกับใจไปพร้อมกันอยู่ทุกขณะไม่นานถ้ามันพร้อมกันจริงๆ แต่สมมติถ้าเรายกมือไปเคลื่อนเอามือไปเคลื่อนไป่าคือมันมันได้พักหนึ่งแล้วมันก็ปรุงแต่งไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้มันก็นานยิ่งถ้าถูกอารมณ์ที่เราปรุงแต่งที่มันเป็นคุณงามความดียิ่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยิ่งนานออกไปแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามตัดความนึกคิดปรุงแต่งออกไปเหลือแต่ความรู้สึกตัว ล้วนๆทีเนี้ยมันก็จะย่นเวลาเข้ามาเข้ามาให้มันเหลือสั้นลงสั้นลงอ่าพอมันสั้นลงสั้นลงล้วเป็นยังไงทีเนี้ยเนี่ยที่มันสำคัญอยู่ตรงตรงจุดนี้แหละเราทำมาจนจนจะเป็นจะตายค่ะอย่างอาตมาเนี่ยยกมือไปยกมือมาทำอยู่ไม่ใช่ว่าจะวันสองวันสิบยี่สิบปี พอมันจะรู้สึกตัวจริงๆแขนก็แทบจะยกไม่ขึ้นอารมณ์ก็เบื่อสุดๆละเบื่อหนายสุดๆละจะไม่เอาอะไรละ <c oughs> คือยอมละเทเนี่ยตรงที่ไอ้สภาวะจิตที่มันมันผ่อนคลายนั่นแหละเหมือนกับว่าเราทำมาหนักๆแล้วอะไรสู้มาเต็มที่แล้วสู้ไม่ไหวละ ตรงที่มันจะผ่อนคลายลงทีเนี้ยอารมณ์ที่มันมันจะพร้อมนะคือเราไม่เอาอะไรละอารมณ์ก็มันเป็นกลางๆเชยๆพอเราทําไปเชยๆไปทีนี้เนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ตอนที่ที่มันมันไม่ปรุงแต่งอะไรเนี่ยอที่สําคัญสติมันจะพร้อมมันจะเกิดเวลาไหนเป็นเวลาของมันก็คือเวลาที่มันพร้อมที่สุดเมื่อกับเรา ทำอะไรสักอย่างเนี่ยปั่นเครื่องก็ตามปั่นเครื่องรถไถนาก็ตามอย่างนี้อยู่บ้านอัตมาใช้รถไถนาเขาก็ต้องปั่นเครื่องใหมหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุหมุนมุนเครื่องตอนที่มันพร้อมที่สุดก็คือตอนนั้นแหละอ่าตอนหมุนนี้ยังไม่ติดใช่ไหมปุ๊ปุ๊บปุ๊บป๊บตอนที่มันพร้อมปุ๊บครั้งเดียวนั่นแหละนะก็เป็นการใช้ได้ละรถไถนาก็วิ่งได้แล้วก็ขับได้ก็ใช้มันได้ นี่คือตอนที่มันพร้อมตอนที่รับตอนที่มันยังไม่พร้อมมันก็ยังใช้อะไรไม่ได้ตอนนั้นเราก็ต้องฝึกไปซะก่อนฝึกการเคลื่อนไหวไปมาซะก่อนนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำท่านก็ผ่านอารมณ์มาแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานอาหารเวลาเราพักผ่อนหลับนอนเวลาเราอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าให้สํารวม มานมันทึงจะไม่มารังควานเรามานคืออะไรมานคือสิ่งที่มาทําลายเราไม่ให้เรามาขัดขวางเรานั่นแหละมานมาขัดขวางไม่ให้เราทําคุณงามความดีเช่นเทวบุตรตมานอย่างเงี้ยคืออารมณ์ดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเช่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไปแล้วเกิด อารมณ์โอ้เกิดปีติทราบซึ้งในใจอยากจะชวนคนนั้นคนนี้มาประพฤติปฏิบัติด้วยอย่างนี้มันเป็นกุศลในทางที่ดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละมันเป็นมานาอย่างนั้นนะคือมันดึงเราออกไปนอกทางเราละมันเป็นอารมณ์ดีก็าตามนะสิ่งแล้วนียอารมณ์ดีๆที่มันดึงออกไปดึงออกไป ในการปฏิบัติของเราคุณงามความดีที่เราทําสร้างเอาไว้แล้วมันไปปรุงแต่งสิ่งที่มันดีขึ้นไปอีกการทํามาให้กินเราการทําอย่างอื่นๆก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันไปปรุงแต่งเรื่องดีๆเข้ามาในมันลังความเราลังความสติเราให้มันไปดึงดูดความสนใจสิ่งอื่นไม่มาดึงดูดความสนใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรา มันห่างออกไปห่างออกไปคือมันเป็นทางทางความดีในทางที่ไม่ดีสำหรับผู้ ป, ปฏิบัติมันดีสำหรับในการปรุงแต่งการเพลิดเพลินความคิดมันก็จะนึกคิดปรุงแต่งเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินไปไม่มีที่สุดกว่าจะรู้สึกตัวได้ก็อ๋อจบเรื่องไปหลายเรื่องแล้วกว่าที่เราจะมารู้สึกตัวได้อ้าวเราคิดไปหลายเรื่องแล้วตอนที่กระ น, นมันคิดมันก็เราก็ไม่รู้นะเราก็ปรุงแต่งไปเรื่อย ก็จะเพลิดเพลินไปเรื่อยๆกับอารมณ์นั้นนั้นแต่พอคิดหลายตลบเข้าโน้ น, นแหละจบเรื่องโ น, น้นปรุงเรื่องนี้จบเรื่องโ น, น้นปรุงเรื่องนี้ใหม่ไปเรื่อยๆนี่คือมันไม่หยุดนิ่งในฐานความคิดเรียกว่ามันมาลังขวาญเราตลอดแต่เราไม่รู้มันไม่รู้เท่าทันมันอ่ะย่งางมตัวต่อมาเช่นขันธมธานอย่างเงี้ยขันธมธาน ก็คือนั่งนานปวดเมื่อยทรมานร่างกายหรือมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยเช่นต้องกินยาต้องอะไรบ้างต้องคอยบํารุงมันบ้างอย่างเงี้ยต้องคอยเอาอกเอาใจมันบ้างเกีย่ยวกับขันตมาล น, นี่ยนะมันก็ต้องไปดึงดูดความสนใจไปหามันดิใช่ไหมในครั้งพุตธกาลกันมือนกัน ว่าเอาสิ่งนี้แหละเอาอุปสรรคนี่ยแหละมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออย่างพระในสมัยครั้งพุทธการท่านก็เหมือนกันเอาอุปสรรคเนี่แหละมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเช่นคันตามาธมีภิกษุท่านไปจำมรนสายอยู่บนยอดเขาในปลาดงก็ปรากฏว่า ที่อันก็มีเสือเสือก็มากัดพิสุขเขา้าพิสุขทั้งหลายที่นี่ที่เป็นเพื่อนกันก็ร้องบอกว่าท่านให้พิจารณาที่ตรงเวทนานะั้นนะท่านไม่ได้ช่วยกันนะให้พิจารณาตรงที่เวทนาตรงที่มันเจ็บปวดนะั่นนะเรียกว่าขันตามานเอาพิจารณาความเจ็บปวดนะนะั่นแหะเป็นอารมณ์นใช้ อุปสรรคเหล่านั้นให้มาเป็นอุปกรณ์ในเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติท่านก็พิจารณาเวทนาความเจ็บปวดน่ะไม่เยแสกับสิ่งอืงนะ่นน่ะเอาความเจ็บปวดมาเป็นเครื่องพิจารณาก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระรหันได้อาศัยอุปสรรคมาเป็นอุปกรณ์เราก็ อาศัยอุปสรรคสิ่งเนะั้นมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาก็ได้เช่นความเจ็บปวดอย่างเงี้ยในขณะที่เรานั่งนานหรืออาการอยากเอียนก็นแล้วแต่เราก็พิจารณาดูว่าอ๋อที่สุดแห่งทุกข์นี่มันคืออะไรที่พระเจ้าท่านจะตัดเสมอกับพิสุทั้งหลายที่เข้ามาบวชว่า เธอจงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ของเธอให้ที่สุดเถิดคำว่าที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรที่สุดแห่งทุกข์ความเจ็บปวดที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละที่เราไปยึดมั่นมันพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมันก็เป็นสวนของมันความเจ็บก็เป็นเรื่องของมัน ก็จะแยกส่วนได้ไม่ใช่ว่าจะไปแยกออกจากกันแต่ว่าความรู้สึกอารมณ์เราแยกส่วนว่านี่คือกายนี่คือเวทนาอย่างงี้นี่คือรูปนี่คือนามแยกส่วนแล้วก็จะเห็นความชัดเจนว่าอ๋อที่มันเจ็บมันปวดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรา อย่างนี้นี่คือขันธมานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แหละที่จะมารังควาเรานี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะต้องใส่ใจแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านยังกล่าวอีกไว้ว่าการจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดีหนึ่งต้องลดทิฐิเสียลดทิฐิมานะความถือเนื้อถือตัวสิ่งที่เราสําคัญตนว่าเราเป็นผู้มี ความรู้หรือมีการศึกษาสูงอย่างนี้คือไม่เชื่อมั่นในผู้อื่นแต่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในกิเลสของตัวเองเชื่อมั่นในมานะทิฏฐิของตัวเอ ง, อนน ถ, อ ง, เองถ้าเราลดสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้โอสลายความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นได้มันก็จะเป็นด่านด่านแรกที่เปิดประตูให้กับเราจากอทิฐิมานะนี่นะมันก็จะเป็นด่านแรกที่เปิดประตูให้กับเรา ให้สิ่งอื่นเข้ามาแทนที่เราก็คือให้ครูบาอาจารย์ได้แนะนำร้าสอนเราแนะนำในทางพระพุทธปฏิบัติเราให้เข้าสู่จิตสู่ใจได้มันก็จะเป็นประตูเปิดให้เราเป็นด่านแรกเรื่องทิฏฐิมานะเราลดได้เราก็จะลดความเห็นของตัวเองลงเอาความเหียนของผู้ที่พระพุทธปฏิบัติตรงแล้วได้ผลแล้วนามาใส่ใจสาหรับเรานี่ก็คือ ทิฏฐิที่จะต้องลดเป็นอันดับแรกไม่ใช่ว่าเห็นสมมติว่าเราเห็นการประพฤติปฏิบัติการทิฏฐิเย น, นะเรื่องทิฏฐิเห็นบุคคลข้างๆอย่างเงี้ยกำลังง่วงอยู่เราก็อยากจะไปกระซิบอยากจะไปปลุกให้เขาตื่นเนี่ยเอาเอาเอาตื่นตื่นตืนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะปลุกเล้าอารมณ์บุคคลอื่นให้กับ ุคคลอื่นนั้นมาเหมือนกับตัวเราตัวเราเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะอยู่อยากจะให้คนอื่นเหมือนกับเราเป็นทิฐิที่มันแทรกเข้ามาสู่เราว่าอยากจะให้คนอื่นมาเหมือนเราคือมีมานะักมานะักทีตัวว่าคนอื่นเป็นแบบนี้เพ่ออยากจะให้คนอื่นมาเป็นแบบเราบ้างหรืออยากจะให้เราเป็นแบบคนอื่นบ้างอย่างงี้ต้องลดสิ่งเหล่านี้ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเรากำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ด่านแรกคือทิฏฐิมานะละอัตตาตัวตนของเราความเห็นของเรามันก็จะเปิดประตูใจของเราเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจากครูบาอาจารย์ <c oughs> ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วเป็นประสบการณ์ตรงของท่านมาสู่เรา มานำเสนอสู่เราการประพฤติปฏิบัติให้เกือนกันนเนี่ยเรื่องนิวรทั้งห้าอุบาอาจารย์ท่านก็ฐานอารมณ์เรานั้นมาเหมือนกันในหมวดธรรมที่เรายังไม่ได้สวดไปคือหมวดต่อต่อไปหมวดหลังสุดนะนะหมวดธรรมเป็นด่านแรกก็คือนิวรณห้าเริ่มตั้งแต่กามัดฉันทัศพยาบาท วิจิกิจฉาอุดันจะกุกุจจะถีนามิ t ะอุดันจะกุกุจจะวิจิกิจฉาห้าตัวนี้นะมันเป็นด่านแรกของธรรมะที่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องพบก็จะต้องเจอค้อาว่าการมัชชะนั้คืออะไรคือความพอใจติดในสุขบ้างเพิดเพลินกับอารมณ์สิ่งที่เรากระทาบ้าง เช่นเราเพิดเพลินกับอารมณ์ว่าโอ้เรานั่งยกมือสร้างจังหวะไปแล้วเออมันรู้สึกสบายเนยะมันรู้สึกผ่อนคลายสบายใจโล่งปลง่งเบาสบายนี่คือติดกรรมมชันทะก็คือติดความสุขข้อต่อมาทีนี้พยาบาทพยาบาทก็เช่นเดียวกัน เห็นบุคคลอื่นอยู่ข้างๆหรืออยู่ที่อื่นก็ตามหรือเสียงรบกวนสิ่งอื่นๆก็ตามก็หมุดหงิดฟุ้งซ่านเห็นไหมก็เกิดความไม่พอใจบ้างสิ่งเหล่านี้ยมันก็เกิดขึ้นกับเราทีนับมิทักก็ต่อมาทีนัมิทัความวุ่งเหงาหดหู่อารมณ์ที่พูดไป มันก็จะมาครอบงําเราความวาุ่นวาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นด่านที่สามอุดทันจะกุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเราอยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันสบายสบา ย, บายแต่อารมณ์เหล่านั้นมันไม่สบายเหมือนกับเราอยากจะให้มันเป็นเนวิจีกิจฉาข้อสุดท้ายความรังเลยสงสัยในการประพฤติปฏิบัติทําแบบนี้แล้ว ทำไมมันมันมันจะใช่หรือไม่ใช่มันน่าจะนั่งนะอย่างเงี้ยน่าจะนั่งไม่ต้องยกมือนะเพราะสงสัยเล็กๆน็น้อยนแต่ท่านหมายเอาสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าไปอย่างงั้นทีนี้เราก็มาสงสัยในเรื่องเล็กๆน็น้อยนสิ่งผู้ประพฤติธปฏิบัติเอ๊ะทําอย่างเงี้มันน่าจะใช่ทําอย่างนั้นมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยทาไมท่านไม่ ไม่บอกอย่างเนี้ยทําไมท่านต้องให้มาบาังคับทําอย่างเ น, นี้ความสงสัยมันก็เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นธรรมดาสิ่งเหล่าเนี้ยท่านมาจุ้จี้จุกจิกเกินไปนะอย่างเนี้ยม า, าใส่ใจกับอารมณ์ของเรามากเกินไปเราน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นี่คืออารมณ์ของของธรรมะทั้งห้าประการเนี้ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ก, ก็ต้องเจอ ไม่ว่าอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งก็าตามต้องเจอสิ่งเหล่านี้มันเป็นด่านแรกของธรรมมาธรรมมนุธรรมะก็คือหมวดว่าด้วยธรรมที่จะต้องพบเจอแล้วมันก็จะไปด่านที่สำคัญสำคัญก็คือด่านที่ผ่านพ้นสิ่งหล่านี้ไปได้ก็จะเป็นด่านที่มีความสำคัญต่อชีวิตเราเช่น อริยสัจสี่โพธชงเจ็ดอย่างเงี้ยมักมีองแปดไปอย่างเงี้ยมันก็จะก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นถ้าผ่านพวกเรานี้ไปได้แต่ถ้าเรายังไม่ผ่านก็ต้องศึกษาก็ต้องดูสังเกตมั่นสังเกตศึกษาอารมณ์เราเนี่ยแหละเราใส่ใจเราจเจริญสติขอให้มีสติไปในกายเคลื่อนไหวไปมาเลี้ยวซ้ายแลขวา ท่านบอกว่าให้เราเจริญสติตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงหลับนอนนี่คือการเจริญสติแบบต่อเนื่องลืมบ้างหลงบ้างก็ช่างแต่ขอให้เราย้ำคิดย้ำทำเส ม, มอว่าให้เราเจริญสติไปในกายตลอดไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดสิ่งไหนก็แล้วแต่ ขอให้มีสติอยู่ในขณะที่ที่เราทำที่เร า, เาพูดที่เราคิดในสิ่งสิ่งนั้นลืมบ้างพลาดบ้างก็ตั้งต้นใหม่เริ่มตรงไหนก็เอาตรงนั่นแหละพร้อมตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละนี่คือการเจริญสติแบบง่ายๆแบบเคลื่อนไหวไปมาเพราะว่าในสถานการณ์จริงมันไม่ใช่แบบนี้สถานการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะนั่งอยู่เฉยใช่ไห ต้องพบเจอสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งอื่นบ้างอารมณ์สิ่งอื่นบ้างเข้ามารบเร้าจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องตั้งสติฟาฟันสิ่งล่านั้นไปได้อาศัยการเจริญสตินี่นหละเป็นตัวช่วยประคับประคองของเราเราสวดไปเมื่อกี้นี่บอกว่าผู้ที่มีความอดทนหรือบุคคลผู้ที่มีความอดทนเป็นตบะของนักปฏิบัต หรืออารมณ์อะไรก็แล้วแต่ผู้มีความอดทนชื่อว่าเป็นนักปราดเห็นไมเป็นนักปราดก็คือว่าเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์เหล่านั้นถ้าเป็นผู้มีความอดทนสยอยะามีความขยันมีความจริงใจสิ่งเหล่านี้แหละทั้งหมดนี่แหละการต่อพืชปฏิบัติมันพูดไปโดย ปรมัตสัจจะแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวแต่มันพร้อมอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยที่เรากระทําอยย่นั้นผู้ที่จะเข้าใจรู้แจ้งสภาวะธรรมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเอาขณะที่ยกมือหรือมันจะต้องไปอย่างอื่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันพร้อมที่มันจะรู้ธรรมะจริงๆะ มันอาศัยตอนที่เรายกมือเจริญสติไปมาสะสมความารู้สึกตัวสะสมตัวสติของเราเนี่ยนะให้มันมากมากให้มันพร้อมที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไ ด, ได้ตรงนั้นแหละตรงที่มันจะสปาร์กกับอารมณ์เ่านัน้นที่จะรู้จริงๆตรงตรงจุดนั้นแล้วก็ทำไปสะสมไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ ทำไมต้องสะสมไปเรื่อยๆเราจะมีคําถามอีกว่าเเราก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมมานานแล้วแต่ทําไมมันไม่ได้สักทีก็มันไม่พร้อมไงก็จะทํำยังไงเนาะมันไม่พร้อมอารมณ์มันไม่ให้เมื่อมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของมันเรามีหน้าที่ของของเราก็คือทํามันไปสังเกตดูตัวเราไปพร้อมตอนไหนพระพุทธเจ้าตอนบอกว่า ตั้งแต่เกิดจนตายเนอะ น, นะไม่บรรลุตอนนี้ก็ตอนใกล้าตายเนอะ น, นะตายไปแล้วเกิดมาใหม่ทำต่ออีกทำอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะหมดสิ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายไปเนอะ น, นะใช่ไหมถ้าเรายังไม่ทำก็เพลิดเพลินไปกับโลกเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เกิดตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไหมไม่ว่าจะเป็นทาง รูปประทนามธระทก็แล้วแต่เช่นความคิดเราเกิดเกิดสิ่งนี้ปรุงแต่งไปดับไปแล้วก็เกิดคิดขึ้นมาใหม่เรื่องใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้คือเอาในพบปัจจุบันอย่างนี้ถ้าเราความคิดของเราปรุงแต่งสิ่งนี้อ่แล้วก็ดับสิ่งนี้แล้วก็ปรุงแต่งคิดเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือเป็นพบน้อยพบใหญ่ของเราที่ที่มันมันเปลี่ยนไปแบบเนี้ยสภาวะ ของมันที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนพบคือความมีความเป็นความเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปตามความคิดของมันมันปรุงแต่งไปหลายหลายเรื่องเดียวอยากเป็นโน่นเดียวอยากเป็นนี่เห็นั้มมันไม่มีที่สิ้นสุดในการปรุงแต่งความนึกคิดของเราเพราะฉะนั้นขอให้เรามีสติอยู่กับกายเรามีสติสัมปชัญญะ ซึ่งมันมาคู่กันระหว่างสติกับสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราขาดไม่ได้มันมาคู่กันในขณะที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ย้ําคิดย้าเตือนย้าการกระทําย้ําความรู้สึกเดินก้าวนั่งคุยเหยียดถ่ายอุจจาระปัสสาวะท่านก็พูดไว้ชัดเจนขอให้เรามีสติคอยควบคุมกํากับอยู่กับสิ่งสิ่งนั้น ในขณนะที่เรากระทมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ข้อคิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเ่าคิดว่าสมควรเก็เวลานะให้เราได้ใส่ใจในสิ่งๆริงเหล่านี้ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้าความเจริญความพาสุขของของตัวเราเองคนอื่นเขาก็ได้แบบคนอื่นแต่ตัวเราเราก็ต้องมาพัฒนา ตัวเราให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปดังที่พูะพุทาเจ้าท่านพูดเอาไว้ว่าผู้ที่ประมาทชื่อว่าผู้ที่ตายแล้วผู้ที่ยังไม่ประมาทชื่อว่ายังไม่ตายที่เราสวดไปเมื่อเมื่อเช้านี้ตายจากอะไรตายจากคุณงามความดีตายจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ไปเกาะกับสิ่งอื่นไปเกาะกลุ่มกับสิ่งอื่น เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอธอโมทนาสาธุกับผู้ประพฏิบัติธรรมว่าท่านตั้งใจประพปฏิบัติธรรมสละเวลามาจากรัดต่างๆสละจากการงานหน้าที่มา ป, ปฏิบัติธรรมเพื่อมาดูตัวเองมาดูกายดูใจของเรามาประพฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าความภาสุขของตัวเองขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จทุกท่านเทิด ตอนนี้สามสิบแปดก็บวชมาตอนอายุสิบสามปีตอนนี้ก็สามสิบแปดก็ประพฤติปฏิบัติมาตามครูบาอาจารยนะ์ก็ไม่อยากจะบวชตอนแรกพ่อแม่บงังคับให้บวชอยากจะศึกตึกแต่ยังไม่บวชน่นนะมาเรื่อยๆก็บังคับนะบังคับมาก็อยู่มาเรื่อยๆ เ, เราได้พบกันลายาณมิตรนี่เป็นสิ่งที่ดีนะ พระพุทเจ้าท่านบอกว่ากรรารญาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรห ม, มจรรย์ได้ชักชวนเพื่อนเพื่อนชักชวนเราอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกรรารญาณมิตรซึ่งกันและกันชักชวนในคุณงามความดีนะเช่นเราชักชวนเพื่อนเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อนเราทะเลถลายอยู่ทั้งนอกทางเราชักชวนแนะนําให้เขามาประพฤติปฏิบัติ ให้เขาได้มีโอกาสอย่างอาตมาคนเมือนกันได้พบกัญยาณมิตรท่านก็ชักชวนให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้ า, จาท่านก็จะตอนมักมีองค์แปดท่านก็จะเริ่มต้นที่ทิฏฐิก่อนก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนี่คือความเชื่อความเห็นนะั่นท่านบอกว่าถ้ามีความเห็นตรง ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่ตรงตามความคิดของเรานะตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตรงพระอริยสาวกแล้วดําเนินไปเถอะเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่เส้นทางแต่ความเชื่อเราอะความเชื่อเราเชื่ออย่างนู้นเชื่ออย่างนี้บางครั้งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ความเชื่อบางบางครั้งอาจจะใช่ก็ได้ใช่ไหมครับ เช่นว่าในตู้อย่างเงี้ยตู้บริจาคเอาเราเชื่อว่าน่าจะมีเงินสักร้อยสองร้อยพอไปเปิดดูแล้วอ้าวมีห้าร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือความเชื่อกับความจริงบางครั้งไม่ตรงกันบางครั้งก็ตรงกันนี่แหละสิ่งเหล่านี้พพุทธเจ้าท่านก็จะเน้นที่สมาธิฏฐิความเห็นตรงก่อนความเชื่อ น, นี่ก็คือศรัทธาไงศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเรื่มใส เชื่อในสิ่งไหนอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็พูดว่าเชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราพอเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองในหมวดภะละห้าก็คือกําลังห้าก็มีศรัทธาเวริยะสติสมาธิปัญญาในภะละห้าศรัทธาก็จะมาเป็นตัวแรกก็คือมีความเชื่อ ในการประพฤติปฏิบัติคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมอย่างนี้เชื่อมั่นว่าเราทำได้ไหมเขาทำได้เขาทำไปก่อนแล้วเชื่อมั่นในตัวเราไหมว่าเรามีความตั้งใจจริงไหมนะวิริยะทีนี้ความเพียรก็คือความกล้ า, าหาญภาษาไทยเราว่าความเพียรแต่แปลออกมาแปลว่าความกล้าวิริวีวีระแปลว่ า, วากล้า คุณกล้าที่จะออกจากความคิดไหมเนี่ยความคิดที่เราเนื้อคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีคุณกล้าที่จะออกจากมันไหมก็คือไม่ไปคิดไม่ไปตามมันแล้นะให้มาอยู่กับการเจริญสตินี่คุณกล้าที่จะออกไหมแต่ว่าคนทั้งหลายมันไม่กล้าเมื่อมันไม่กล้าจะออกจากความคิดนะมันติดความคิดนะมันเพลินต่อความคิดผู้ปฏิบัต มันก็จะเสียเวลาเสียโอกาสไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นท่านจึงมีธรรมะข้อที่สองก็คือเวรยียนคุณกล้าที่จะออกจากความคิดไหมกล้าที่จะทำไหมแบบ น, นี้ตัวที่สามก็คือสติใช่ไมตัวที่สี่ก็คืออะไรสัทธา วิริยะสติสมาธิตัวที่สี่สมาธิจิตคุณตั้งมั่นไหมคุณแน่วแน่ไหมคุณมั่นใจขนาดไหนทีนี้ทำแบบนี้ยกมือเอามือเข้าเอามือมาเอามือไอเอามือมาอย่างเงี้ยอารมณ์คุณตั้งมั่นไหมหรืออารมณ์คุณสัดสายไปมายกอยู่ด้วยอาการกายเราดูภายนอกสง่างาม แต่ใจคุณมันไม่ตั้งอยู่ตรงนี้คือสติของคุณมันไม่อยู่กับตรงที่คุณเคลื่อนไปแต่มันไปทางโน้นออกไปรอบนอกนะมันไม่ได้ใช่ไหยแบบนี้ปัญญาทเนี้กำลังตัวที่ห้าคือปัญญาคุณรู้ไหมทีนี้ขณะที่คุณยกมือไปยกมือมาคุณรู้หรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ไหมคุณรู้สึกยังไงคุณรู้ไหม ก็คือมีความรอบรู้ในกองสังขารก็คือตัวของคุณนั่นแหละคุณรู้ไหมยอย่างนี้นะนี่คือกําลังของของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ก็คือคนที่เขาเขาประพฤติปฏิบัติแล้วเขาได้อารมณ์แล้วมันก็จะชับใช่ไหม <c oughs> ตรงจุดนั้นสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่นี้ ที่เขาพูดมาเรื่องน้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นทีนี้เรื่องของเราเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้มีสติอยู่กับกายเราเนี่ยนะเคลื่อนไ้ไปมามันจะเกิดเองของมันมันจะรู้ของมันมันมีอยู่แล้วในตัวของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดหาว่ามันรู้มันไม่รู้มันมีอยู่แล้วในตัวของเราพอเราทำไปปึ๊บมันจะ รักเข้ามาถ้ามันพร้อมนะมันก็จะรู้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ของมันเราก็จะรู้ว่าโอ้อันนี้รูปอันนี้นามมันก็จะแยกรูปแยกนามชัดเจนโดยอัตโนมัติของมันมันเป็นของมันอยู่แล้วแบบนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันเพียงแต่เรามาทำแบบนี้ปัญหาสิง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งเหยิงฟังคนโน้นฟังคนนี้พูด ทำให้เราสับสนล่ะไหว้เคว้ไรจุดยืนของเราไรความมั่นใจของเราเนี่ยแต่พอเราได้จุดยืนของเราได้ความซื่อตรงต่อเราแล้วว่าอ๋อเราทําแบบนี้เขาทําแบบนี้มาก่อนเราได้แบบนี้ยเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทําได้เราก็ทําได้เขามีธาตุสีกั้นห้าเราก็มีธาตุสีกั้นห้าร่วมือนกันเห็น ไ, ไหม คนเรามันอยู่ข้างในเนี่ยที่เขาต้องการค้นหานมันมีอยู่แล้วเยเราจะทํอยังไงทีเนี่ยแล้วก็ทําแบบนี้ยกมือมีสติอยู่กับตัวแล้วแล้วมันก็รู้ของมันเองจิงนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิตอนนี้ท่านรัสรู้ก็รู้เองใช่ไหมเกิดปัญญายาณเงแต่ทีนี้คนทั้งหลายทีนี้ย ก็ต้องอาศัยคําแนะนําจากบุคคลอื่นจากผู้รู้มาก่อนประสบการณ์แต่ละคนแต่ละคนก็จะมาพูดมาแนะนําอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําเพื่อที่จะให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราตาทาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเธอทั้งหลายนั่นะทําเองไม่อย่างนั้นนะเพราะท่านก็รู้ของท่านเรา ไม่สามารถที่จะรู้แบบท่านเราก็ต้องทําแบบตัวเราทําก็จะรู้แบบท่านได้นี่ก็คือเราจะรู้รูปรูนามได้ชัดเจนขึ้นในการประพฤติปฏิบัติมันรู้ของมันเองอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันเอาแบบง่ายๆผู้ประพฤติปฏิบัติทำเพียงแต่เราให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าอิเรียบุใดก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบุย่อยก็แล้วแต่ ไว้ให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เรากระทำสิ่งๆงนั้นทำไปเรื่อยๆแบบผ่อนคลายไม่กดดันไม่ทำไม่อะไรต่างๆ น, นั้นก็จะประสบผลสำเร็จได้โดยง่ายพุ mm hmm. ทธสุนทรเจดก็คือองค์แห่งการตัดสรู้ mm hmm. องค์แห่งการตัดสรู้ที่พูดมาเนี่ยแหละภาระห้านี้ก็ใช่ mm hmm. เรายังไม่ได้สวนะ่วน mm hmm. เรากำลัง ต, ต, ต่อไปถึงจะได้สว่วน นี่คือพวทชงแปลว่าองค์แห่งการตัดสรู้องค์แห่งการรู้แจ้งแบบของพระพุทธเจ้าแบบของพระอริยสาวกที่เป็นลําดับลําดับลงมาก็สืบทอดต่อๆกันมาผู้พระพุทธเจ้าท่านรู้แบบนี้ท่านก็สอนสาวกสาวกก็รู้ตามพระพุทธเจ้าสาวกก็สอนตามลําดับตามลาดับมาเรื่อยๆแบบนี้ก็จะรู้ๆตามกัน นิวรณ์หก็คือสิ่งที่มันกั้นกั้นเราไม่ให้เราทำคุณงามความดีไม่ให้เราประสบผลสำเร็จเป็นด่านที่กั้นเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นเช่นการ ม, มาชันทะการ ม, มาชันทะคืออะไรเป็นภาษาวัดคำคำศัพท์วัดเนาะการ ม, มาชันทะก็คือความหลงไหลในอารมณ์ว่างงามบ้าง ว่าไม่งามบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างการมาชันทัคือติดในอารมณ์สิ่งสิ่งนั้นทุกอย่างเข้ามาสิ่งสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่เราติดนั่นแหละเช่นติดในรูปติดในเสียงติดในรสอย่างนี้เป็นต้นรูปรสกลิ่นเสียงโผัวทพ ธ, ธรรมอารมณ์อย่างเงี้ยหรือในวัตถุต่างๆเนี่ยเรียกว่าการมาชันทัพยาบาท ความเครียดแค้นบ้างเช่นงุดเช่นเร า, เอ า, าพอเพื่อปฏิบัติธรรมไปเกลียดหน้าคนที่เราไม่ชอบมันอย่างเงี้ยเกิดพยาบาทขึ้นมาในใจอยากจะทําร้ายอยากจะทําอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเกิดความพยาบาทปองร้ายเขาแต่นั่นมันเป็นอารมณ์ที่มาขวางกั้นเราตัวที่สามก็ถิ่น้ำไม่ทักใช่ไหมความว่างเหงาเฮานอน ตัวที่สีก็อุดทันจักกุกุน จ, จักตัวที่ห้าก็วิจิกิจฉานี่คือสิ่งเหล่านี้แหละที่ ม, มาขวางกั้นอารมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นด่านแรกของผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเจอแล้วก็สังเกตดูมันก็ได้เราประพฤติปฏิบัติทำไม่ว่าจะเจอความง่วงก็ตามไม่ว่าจะเจอความองดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญก็ตามมันก็เกิดอยู่แล้วคือมันมีอยู่แล้วพระอริยเจ้าที่ท่าน เดินไปก่อนท่านก็มาสู่เส้นทางนี้เหมือนกันผ่านเส้นทางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วใช่ไหเราจะผ่านเดินไม่ผ่านเราจะคอยเก็บชมสวนดอกไม้สิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะไมเราจะ แ, แวะข้างทางอยู่หรือเปล่าหรือเราจะก้าวเดินข้ามทางสิ่งหเหล่านี้ไปก็ขึ้นอยู่กับเราเมื่อเรารู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคที่มาขวางกัน้นเราก็ต้องฝ่าฟัน สิ่งตอนนี้ไปได้คือในทางทฤษฎีกับในทางปฏิบัติมันไม่เหมือนกันนะเรายรู้อยู่ว่าความง่วงมาใช่ไหมเวลาเราง่วงเราสังเกตมันจะอึมคึมอึมคึมลงไปเรื่อยใช่ไหมไรภาวะไรกาลังของเราที่จะต่อต้านมันมันก็จะข่มเราไปเรื่อยข่มเราไปเรื่อยความง่วงใช่ ไ, ไมก็จะทาให้ตาเราลิบลีลงริบหลีลง อืมคึมลงอืมคืมลงเห็นไหมนี่คือความงมืองทั้งๆที่เรารู้อยู่ว่าเมื่อความเ่ืงมันเปลี่นอย่างนี้เราสลัดออกแต่เราไม่สลัดเราเปลี่ยนอิริยาบถไม่เปลี่ยนนี่คือมันมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นของเรากิจชาอุทธันจากุ ก, จกุจะกทีนามิทะข้อที่สามการมฉันทัพยาบาท ทิฏฐินามิทะอุทธันจะกุกุจักแล้วก็วิจิกิจฉาห้าตัวนี้มันเป็นสับคนวัดหน่อยนะเนี่ยถ้าคนบ้านๆเขาก็แปลง่ายๆอย่างเงี้ยนะทิฏฐินามิาทะทิฏฐินามิาทะอุทธันจะกุกุจักวิจิกิจฉาความสงสัยความรังเรสงสัยมันเกิดขึ้นกับเราไหมเราสงสัยไหม สมมุติว่าเอาข้อสุดท้ายในวิจิกิจิชาเราสงสัยไหมวิธีการแบบเนี้ยเอาแบบแบบภาษาปฏิบัตินะเราสงสัยไหมวิธีการประพฤติปฏิบัติแบบเนี้ยทาไมมันถึงเกิดปัญญาได้เอายกมือเคลื่อนไปมาแบบเนี้ยอ่ะทําไมมันถึงเกิดปัญญาได้เราสงสัยบ้างไหมเพราะมันมีอยู่แล้วอยู่ในเนี้ยมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันอยู่ในเนี่ยแต่เราจะ ดึงเอามันมาใช้ไหมมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเหลานี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรียกว่าอนุัยนะ น, นะคือมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือในจิตใจของเราอยู่นี่แล้อทีนี้เราจะเอามันออกมาได้อย่างไรแล้วก็มาหาวิธีการก็คือคุณมีลูกกุญแจไหมะจะเปิดไปได้ลูกกุญแจก็คืออย่างเนี้ยหรือบาง บางที่เขาก็ให้นั่งพุโทโธใชไหมนี่คือลูกกุญแจแต่ละดอกแต่ละดอกที่เขาจะเปิดเปิดเข้าไปสู่ภายในนะแต่วิธีการนี้เราเน้นการเคลื่อนไหวเราไม่ได้เน้นการนั่งเราเอาอิริยาบถย่อยก็คือการเคลื่อนไหวไปมาคูเยด น, นะเราจะเน้นตรงตรงจุดนี้เพราะว่าเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์ทั่วไปก็คือ การทำมาหากินการทำอะไรต่างๆกันพบผู้คนเราจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะก็คือการเคลื่อนไหวแต่และทุกส่วนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกุญแจของเราที่เราจะเปิดเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องอนาปานสติหมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น ออกสั้นเข้ายาวก็รู้ว่าออกสั้นเข้ายาวใช่ไหมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็รู้ได้เหมือนกันก็ไม่ได้จํากัดเรามาทําแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันก็พูดเรื่องอิริยาบทใช่ไหมการเคลื่อนไหวไปมาคูเหยียดเคลื่อนไหวก็พูดใช่ไหมเนี่ยก็ เ, เป็นองค์ประกอบในอาณาปานสติก็เหมือนกันว่าแต่เราจะเอาจุดจุดไหนมา ม า, มาใช้กับเราอันไหนที่เหมาะสมกับเราเราทำแล้วมันให้คุณประโยชน์กับเราเราก็หยิบเอาสิ่งนั้นบางครั้งบางคนถนัดในการนั่งสมาธิหลับตาอย่างงี้ก็ทำไปแต่ว่าขอให้เรารู้นะรู้สึกตัวนะ น, นะทีนี้เราก็เหมือนกันทีนี้ ที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะย้ำเน้นย้ำเน้นเป็นวิธีที่มันง่ายแล้วก็รัดสั้นที่สุดโดวยวิธีการนะหลวงพ่อเทียนท่านก็ไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่แล้วท่านไม่รู้ทีนี้ดับความโกรธไม่ได้ท่านบอกนะแต่พอมาทีนี้มาเอาวิธีนี้มาลองทําวิธีนี้แล้วมันให้ผลได้ง่ายทีเนี้ยทําแป๊บเดียวแล้ว แล้วท่านรู้นะนะแล้วท่านรู้ท่านเข้าใจอ๋อวิธีนี้มันง่ายนี่นะเหมาะสำหรับคนทั่วไปเลยออินรีอ่อนๆ น, นี่มาทำแบบนี้คือมันง่ายก็ท่านก็เผยแผ่วิธีการแบบนี้มาก็มีคนเข้าใจธรรมะเยอะอยางก็เลยแนะนำกันแบบนี้ก็ สมควรแล้วเนาะก็จิตเล็กๆน้อยๆข้สงสัยต่างๆก็ย้าคิดย้ำทำก็คือให้เรามีสตินะนะนะตัวของเราเนี่ยแหละรู้ว่าเรามีสติเคลื่อนไหวไปมาเออาแบบง่ายๆถ้าเราลืมแล้วก็ตั้งต้นใหม่หลงก็ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มตรงจุดไหนตรงจุดที่เราพร้อมนั่นแหอะเราระลึกได้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละ เราออกไปตรงไห น, นเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ระลึกอยู่ตรงนี้ทำอยู่ตรงนี้เพราะให้เรามีสติเคลื่อนไหวไปมาหยิบมือกระดิกนิ้วมืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเงี้ยสติอยู่กับกายพร้อมตอนไหนนั่นแหละมันถึงจะได้ตอนนั้นจะรู้ตอนไหนก็รู้ตอนที่มันพร้อมนั่นแหละตอนที่เราทำทาทาทาทาทาไปเรื่อยๆตอนนั้นแหละมันถึงจะ เกิดสภาวะของมันมันเป็นของมันไม่ใช่ของเราหน้าที่เราก็คือหน้าที่ทําทําเพื่อทำไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ทําเอาแต่ทําเพื่อทำทําอย่างนี้เพื่ออย่างนี้เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องของของมันเป็นสภาวะอาการของมันเราไม่สนใจเราสนใจอยู่แบบเนี้ยก็ขออนโมทนา หันหน้ากลับมาเปลี่ยนบ่อยๆจะได้มีสติมาว่าเราโชคดีนะที่ได้ฝึกวิธีการหลวงพเทียนทำให้เราไม่แก่ไว้เมื่อวานพวกฝรั่งที่เขามาฟังทรมีอยู่คนหนึ่งจะไปได้เก่าก็ดูนึกว่ามาว่านึกว่าอายุสักแปดสีฟฝ่าถามาอายุเท่าไหร่อายุหกหกสิบห้า ออคุณคือแก่กว่าฉันแค่ปีสองปีแค่นั้นทำไมเหมือนลูกกับพ่อเลยก็ว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้นแก่ไวลเลยว่าพวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีโชคดีหมายความว่ารับวิธีนี้ได้นะบางคนมาทําอาจจะรับไม่ได้แต่สําหรับคนที่รับวิธีนี้ได้เนี่ยถือว่าโชคดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมันทําให้ตื่นน่ะทําทให้ตื่น ทำไเองเป็นเมื่อก่อนเป็นคนขี้โลกอ่อนแอเนี่ยหลังจากทาวิธีนีชนนนนนนนน้ชีวิตเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยกลายเป็นคนเข้มแข็งกลายเป็นคนเอ่อเปลี่ยนไปอ่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วก็อคนเราแต่ละคนก็มีภูมิหลังมีเบื้องหลังมามากมายเนี่ยพอมาทําแล้วเนี่ยมันลื้อกับคืนไปเราไม่มีอะไรที่ไม่เข้าท่ามาข้างหลังมาเนี่ยมาลื้อแก้ไขใหม่หมดเลยคนเราแต่ละคนก็ยังมาเป็นอย่างนี้ได้ผ่านพบผ่านชาติไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเลยใช่ไหม ตั้งแต่บรรพบุรุษคนแรกของเราคือใครจาได้ไหมไม่ได้ที่เราเป็นคนที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมและคนที่เกิดใจเกิดใจมาหลังเราที่มาพ่อนมาไปเราเนี่ยเขาทําดี ท, าทําชั่วมันเท่าไหร่รู้ไหมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมาตรกมาถึงเราไหมก็ถึงแหละใช่ไหมแล้วถ้าหาว่าเราไม่มาลือ้อมาแก้มาใครมาช้ามาล้างมันใหม่เราก็เป็นอย่างเขาแต่พอเรามาเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันกลับไปลือ้อไปล้างใหม่หมดเลยโอ้มองไปข้างหลัง เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติวิปสัสนาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเราจะต้องไปชําระกรรมของบรรพุรุษของเราด้วยเมื่อไ้ชําระกรรมว่าหมดเราก็หมดกรรมอย่างนี้นเองเพราะฉะนั้นอการที่เราทำยังไม่ใช่ทําแจกตัวเรานะชําระลางให้บรรพุรุษของเราที่เขาผ่านมาไอ้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายปูย่มาสายญาสังกษีอะไรเป็นร้อยปันฝันชาติเราพกมาหมดเรามาปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราก็กลับไปเพราะฉะนั้นปฏิบัติวิปสัสนาจริงได้บุญมากไงเพราะมันช่วยคนที่เรามาเป็นเราเนี่ย ไม่รกี่ร้อยี่เราช่วยได้หมดเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังไม่เป็นเนี่ยก็อย่าไปท้อว่าเรายังชําระกรรมไม่เขาไม่หมดมันก็ยังกรรมนั้นก็ยังมาอยู่กับเราอยู่เรืยไปแล้ววันใดวันหนึ่งกรรมอนั้นมันมันจะมันพร้อ ม, มอ่ะมันพร้อมปับป๊บนะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจะช่วยให้เราเกิดกําลังใจแต่โยมถามทีวีถามเรื่องปริยัตินะถามอดีมาร์คมีองค์แปดโพชงเจตบางทีมันก็ใกล้ไปนะ าถามง่ายๆไอ้เนนั่งอยู่นี่ไอ้ครู้สึกตัวตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยลุ่มนามเอาเอาใกล้ๆนี้ก่อนแต่ปริยัตินี้ก็ก็คือปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดของมันเหมือนเอา้เอายาเม็ดนี้ปวดหัวนะทานยาเม็ดนี้เอายาเม็ดนี้นประกอบอะไรบ้างใครทํำมาเนี่ยโมจะถามหาให้คนทําหาส่วนประกอบยานี่ไม่ต้องกินยา ก, กันนะปวดหัวก็ไม่หายใช่ไหม คือทานปูนหัวหายก่อนแล้วไอ้เรื่องอยางนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างใครทํามาเลยไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ได้ก็ดีเหมือนนั่นเช่อเขาทําอาหารมาให้กินให้อิ่มก่อนแลว้วก็อาหารที่ทําด้วยอะไรเคยคุ้รู้ทีหลังก็ได้เรื่องปริยัติก็เหมือนกันคือส่วนประกอบของนที่เราอาสิ่งที่เราทําได้แหละยกมืออันเดียวเนี่ยมันเป็นหมดเลยท่าศีขันธ์ห้าพุ่ยชงจิตอริมักมูอิงแปดรวมที่ได้หมดเลยแต่เราไม่อธิบายออกมาเท่านั้นเอง แต่เราทำเ น, นี่ยย้เนี่ยเป็นอะไรเป็นท่าสี่กันห้าเป็นศรัทธาวิญสติสัมปชัญญาเป็นอยู่ในนี้หมดเลยเหมือนกับอยู่ในยาเม็ดเดียวอะ่ะแ่ขอให้เรากินเท่านั้นเองนะตอนนั้นก็ในช่วงเช้าช่วงเย็นก็ดีดังหลังจากทิพพระบรรยายจบแล้วต้องให้ยมถามปัญหาด้วยนะอันนี้เผื่อว่าเราจะได้บางทีเนื้อความที่ท่านพูดไปเบื้องต้นเราอาจจะไม่เข้าใจ แต่การถามปัญหาเนี่ยทำให้เราเจาะประเด็นที่เราต้องการรู้เราก็จะจำได้ง่ายนี้ก็ส่วนหนึ่งเวลาพระบรรยายจบออกมาเขามักจะออถามดูที่ว่าสิ่งที่ท่านพูดมหาหรายละเอียดเป็นอย่างไร น, นนี่ก็ในส่วนของการฟังนะฮะ <c oughs> ส่วนหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าคืออย่าไปอย่าไปหวังว่าเราจะได้อะไรแต่หวังเราได้ทำ ไปทำเหตุทั้งมันนะพอทําเหตุทั้งมันถูกผลสมมติเราปลูกหวานเม็ดปากกาเนี่ยราหวังไม่มาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนันไม่ได้หวังแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆพระเรารู้วันหนึ่งมันต้องโตอ่ะใช่ไหมปลูกไอ้มะม่วงสามปีห้าปีแล้วก็คูซุงซารดน้ําไปเรื่อยๆเราเราสงสัยว่าไอ้มะม่วงคูรดน้ำประวันมันจะเป็นหรือไม่เป็นสงสัยไหม ไม่สงสัยอ่ะพวมันแน่นอนเราไม่จะต้องเป็นใช่ไหมอันนี้เหมือนยกมือไปทุกวันเราไม่สงสัยมันจะเป็นเมื่อไหร่มันพร้อมเมื่อไหร่ก็เป็นเมือนั้น่ะละแต่ว่าหน้าที่ของเราถ้ามันยังไม่พร้อมมันยังไม่เป็นก็อย่าไปท้อมุ่งมงที่เราคิดว่าสามปีมันจะติดเอาไม่ติดเอาห้าปีก็ไม่เป็นไรแต่เรารอไม่ได้ไงสามปีไม่เป็นกูตัดทิ้งเลยเราก็คงจะอีกปีต่อไปมันอาจจะติดก็ได้ใช่ไหมปีนี้คิดว่าสามปีไม่ติดเพราะว่าปัจจัยไม่ยังไม่พร้อม่ย ปีต่อไปมัอาจจะติดเหมือนกันนะมาทำอย่างนี้ท่านบอกว่าเจ็ดวันไอ้เจดวันยังไม่รู้เรื่องอะไรต่อไปอีกเจ็ดวันต่อไปเรื่อยๆจะถึงเจดปีถ้าเจ็ดปีไม่รู้เรื่องเขาบอกเออไม่ใช่ไม่ถูกต้องแล้วไม่ใช่สูตรของพุทธิย่าสูตรของพุทธิทย่าไม่เกินเจ็ดปียังตับไม่เกินเจ็ดวั น, นตามสูตรของท่านนะแต่บางคนปฏิบัติมาแล้วสามสิบปีก็ยังเทศนไม่ได้เป็นเนยลยก็แสดงว่าผิดมาตลอดแล้วทําไมไม่แก้ก็เพขาดการณามิตนระ พูดถึงกิริยามิตคือเพื่อนที่ปฏิบัติมาก่อนเราเพื่อนที่ท่านเดินทางถูกเราก็อาศัยถามท่านนะปัจจุบันนี้ก็อาศัยขับรถก็อาศัยอะไร G.P.S. บ้างแมพบ้างใช่ไหมไม่ต้องมีกิริยามิตรเลยทีนี้ปัจจุบันนี้เมื่อกันบางคนนะอาศัยไม่ต้องใส่อาจารย์เอ า, เ อ, า, เ อ, าอาจารย์เทพอาจารย์ซีดีก็ดูนะั่นก็ เขลาลุกดำนั้นบางคนที่ฉลาดนะีก็ไปได้เหมือนกันแต่เขาต้องมีคุณสมบัติหประการศรัทธาวิริยณสติสัมปชัญญาถ้าไม่มีคุณสมบัติห้าประการ น, นี้ก็คุจะพบมิจกิคนจะฟังซีดีกี่หมืน่นกี่แสนรอบไปไม่ได้แต่ในมีคุณสมบัติหประการ น, นี้บางทีไม่ต้องพบใครก็ไปได้เหมือนกันให้รู้สึกตัวเฉยๆนะแต่กล้าทํากล้าตัดสินใจ กลาที่จะไม่คิดกล้าที่จะไม่ง่วงทัดจักีะว่าฟุ้งจะถามเรื่องนิวรณ์ห้าก็เราก็เจอมาทุกวันเนะี่ยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวลังเลก็เป็นอยู่ตลอดใช่ไหมแต่ที่นี้เรารู้ออกอันนี้คือนิวรณ์อะไรก็ตามที่ทานะฮะเราเบื่อเราท้อเราขี้เกียจเรานั่นก็นั่นแหละก็เรื่องนิวรณ์ขวางเราแต่ถ้าหากว่าเราจะ ข้ามมันทํำไงเราก็อไปสนใจมันเราก็ข้ามไปเลยอย่างไม้เดินทางเดินทางไปไม้ขวางทางนีง่ยเรก็ข้ามไม้ไปเออถ้ า, ถาเอารถไปเนี่ยมันข้ามไม่ได้เลยใช่ไหมทำไงก็ต้องแสตขอนออกกอนเอกออ ก, ออ ก, ออกโดนไม้นั้นออกกันถ้า ง, งัดออกไม่ได้ทําไงก็ไปหาคนมาช่วยอยเองนะก็คือการยาณมิตรแน่ๆมันจําเป็นตรงนั้น เกีย่าิมิตรตรงเดิมถ้ามีอุปสรรคแล้วเราทําเองไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าเดินไปเดินมามันง่วงเนี่ยเซซ้ายเซขวาหลวพ่อเดินตรงนี้มันง่วงออกมาหลวก็ย้ายไปเดินตรงนั้นเดินตรงนั้นมันง่วงหลวพ่อก็ย้ายไปเดินตรงนี้เดี๋ยวมันถ้าหายที่นี่ไงเอถ้าคุณไปย้ายที่กูก็ง่วงอยู่ตรงนั้นแหละนี่คือเทคนิคมันมันต้องฉีดลี้ยวใจหน่อยเดินตรงนี้มันฟุ้งเดินถ้าแหรมก็ฟุ้งตรงเนี้ยก็เดินไปตรงนั้นอีกหน่อยขยับจากที่มันจะที่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ นี่คือก็ต้องมีปัญญานิดหนึ่งมีห้าโดรนแล้วต้องมีปัญญานิดหนึ่งว่าอะไรเกิดดังนั้นก็ไม่ไม่ไร้ผลหรอกขอให้ทําท่านบอกว่ามันไม่รู้เจ็ดวันนะั้นก็ต้องรู้อ่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่รู้เดือนหน้าเดือนหน้าไม่รู้ปีหน้าปีหน้าไม่รู้ชาติหน้าฮะ <laughs> ทำไปเลยมันต้องรู้วันใดวันหนึ่งเข้ามาชาติหน้านี่ที่หมายว่าตายไปเลยเกิอดอีกไหมเขาแบบคือวันต่อไปอ่ะเกิดเลยชาติหนึ่งอ่าต่อไปชาติอ่ยอันนี้คือความหวังของเราเพราะนั้นว่าจึงไม่เบื่อกับเรื่องเนี้เพราะอะไรเพราะเพราะมันเป็นทั้งหมดอ่ะอ่าเราเกิดมาแล้วต้องการต้องการสุขแล้วก็สุขแล้วจะเอาอะไรอีกอแล้วต้องการอะไรต้องการมีชีวิตที่ดีเข้มแข็งสุข้าพกายจีเดียบมันก็ดีแล้วเราจะเอาอะไรอีก ก็ทําทหน้าที่นี้บอกเรื่องนี้ไปส่วนทําแล้วมันเป็นอย่างไรนี่คือหน้าที่จะต้องบอกกันบางคนทําไม่เป็นนะทําไม่เป็นก็ทําำยิ่งแต่ทําไม่เป็นน่ ะ, นนะก็ต้องบอกให้ทําให้เป็ น, นสมัยหนึ่งที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ปีสองห้าวันหนึ่งมันคิดขึ้นมาได้งไง ร, รู้ว่าเออโบราณบอกว่าอเอาไมา้ไผ่มสองอันมาสีกันนะใช่ไหมบอกว่าจะเกิดไฟจริงหรือเป่าเราไม่เคยเห็นใช่ไหมเอเราทําดูคิดขึ้นมาได้ แล้วก็ไปเอาไม้ไผ่ไปไม้ไผ่แห้งมาเราก็มเคยเห็นคนอื่นทําแล้วก็ทําเอาไม้ไผ่มาสีกันมาถูกันถูแล้วก็ลูกดูมันก็ร้อนๆ น, นะ อ, อ, อ๋สั่นมันนะนะมันไม่เกิดทํายังไงก็ไม่เกิดไม่ใช่แล้วโบราณหลอกเราพูดแค่นั้นทีนี้วันวันหนึ่งไปพบหลวงพ่อบุญธรรมบอกว่าเราให้หลงวาา ง, ง, พลงพ่อบุญธรรมฟังว่หลวงพ่อโบราณบอกว่าเอาไม้ไผ่มาสีกันมันเกิดไปผมสี ทั้งวันมาทูนัวันไม่เห็นมันเกิดเลยถ้าคุณทําแบบไหนอ่ะเราทําโอ๊ยคุณสีไป้ทั้งชาติมันก็ไม่เกิดดยเอาทําแบบไหนหลวงพอ่อท่านก็เอาไม้ไผ่มาอันหนึงนน่งมาผ่ากลมๆเนี่ยมาผ่ากลางแล้วก็มาเหลาอันหนึง่งอ่ะเหมือนมีดเลยเป็นแบนนะทำตัวนี้เป็นคมเลยนะเหล่าเป็นแบนนำมาฝังไว้แล้วก็หลักขนาบหัวท้ายอันนี้เหมือนมีดเลยนะคม อีกอันมันก็เป็นท้องรองแบบ น, นี้มาเจาะหลังมนะันเป็นรูทะลุมาม า, ม า, มาท้องรองมันปาดเป็นรูเป็นบาดนะัะนะเสร็จแล้วท่นก็ขูดเอามามีดามาขูดเอาไอไอฝอยท้องรองมัน น, นนะให้เป็นฝอยมาแปะไว้ตรงที่ที่รูนะั่นแหะแล้วท่านเอารูที่เจาะทะลุท้องรองมันมาจําอยู่กับไอไอไ อ, ไอส่วนหนึ่งที่เอาหลักปักนะเอานื้อจำลาไปแล้วก็จับ ไปสกปรกพักเนี่ยควรมันขึ้นต้งไปจับพัดไปพัดมาเพราะไอ้ไอ้ตัวสันดาบระหว่างไอ้ไอ้ลองที่ท่านเจาะกับไอ้คมที่มันคมไม้ตรงนั้นน่ะมันไปมันมันขนาดก็นแล้วถูไปถูมาน่มันเบียดพราะเบียดแล้วเกิดไฟขึ้นมาสปาร์กไฟลุกขึ้นเฉยเลยอ้านี่ไงเกิดแล้วท่านทำาล้วใช่ไหมเอามาก็ทําตามท่านเออเกิดจริงๆเห็นนะเรื่องทําถูกวิธีการเนี่ยถ้าคุณวิธีการไม่ถูกนะคุณทำไปแล้ววันพระช่างก็ไม่เกิด แต่วิธีการถูกไม่เกินสามนาทีมัเกิดแล้วเพราะนั้นไอ้ที่มันรู้ช้าคือเราไม่รู้เสมอว่าเออเรายัางทําไม่ถูกนะปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันถูกไต่ปรับแล้วปรับอีกไม่ถูกเพราะเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมเรา ไ, ไปหาแฝงหาคนที่เขารู้วิธีการนั่นคือเรียกว่าการยานมิตรอ่าถ้าไม่มีกรารยานมิตรการยานมิตรคือคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเราประสบการณ์ที่ที่เขาทําเป็นนะบางคนมีประสบการณ์เหมือนกันแต่ประสบการณ์ที่ไม่ถูกเหมือนกันก็มาสอนเราผิด เราไปทำตั้งหลมันก็ไม่เกิดอุบายเยอนแย่ๆใช่ไหมแต่คนที่สอนให้เรารู้จริงๆมีสักกี่คนบางทีรู้มาเหมือนกันแต่มันรู้ผิดอะ่ะเขาก็รู้ผิดมาแล้วก็ต้องไปหาคนที่รู้ถูกคนที่รู้ถูกรู้ยังไงก็รู้บอกให้เราทาเป็นนั่นแหละทําเป็นเอาทําไปก็ทําไปแดีวบางทีถูแล้วน้ะไม่เกิดเอ๊ะแล้วก็ทําถูกแล้วน ะ, ะวทํนะาไมเอาไม้มาทําเป็นเหมือนใบมีดที่ท่านบอกเอาไม้มาถูทําไมไม่เกิดอะ่ะ อ๋อไม้ที่คุณทํามันยังไม่แห้งสนิทมันชุ่มอยูอ่วิธีการถูกหมดแล้วแต่ไม่เกิดใช่ไหมมันชุ่มอยู่ไม้เนะี่ยคุณต้องเอาไม้ไปตักเอ๊เอาไม่ไปตักแค่คว้าทุยก็ไม่ติดอ๋อคุณทําเบาไปมันต้องได้หนักขนาดนี้นะมันถึงจะเกิดนะ่หนักร้อยเปอร์เนต์นะคุณกดแค่สิเปอร์เซ็นตใช่ไหมเกิดไหมไม่เกิดเนี่ยนี่คือองค์ประกอบที่ท่านพูดถึงอะ่ะบางทีอะไรถูกหมดแล้วแต่องค์ประกอบมันไม่พร้อมอะ่ะ แต่ไม้มันชุ่มไปบ้างคุณกดเบาบ้างหรือไม้ที่คุณทําเนี่ยมันอาจจะคุณเจาะไม่คุณเจาะกว้างเกินไปก็ไม่ไม่เจาะแคบหน่อยหนึง่งอะไรเนะี่ยหรือฝอยที่คุณขูดมาเนี่ยมันมันจะไม่ละเอียดมันสปาร์กยากใช่ไหมขูดยากเกินไปเนี่ยเห็นไหมองค์ประกอบเล็กๆล็ลลน้อยน้อยราคไม่ได้เลยนะเออผมก็รู้สึกตัวแล้วลว่าทำไมมันไม่เป็นหรอกพ่อเอาก็คุณยังคิดอยู่ว่าคุณยังปรุงแต่งเรื่องนั้นหนึ่งนี่อยู่แสดงมันชุ่มแล้วใช่ไหมเนี่ย องค์ประกอบนะเรียกว่าความพร้อมคืออย่างนี้เราก็ดูว่ามันไม่เป็นมันขาดอะไรมันกําลังเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆนั้นปฏิบัติธรรมคือการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกนั่นเองเรียกว่าปฏิบัติธรรมที่ให้เดินในสร้างยังหวา น, นึงเพื่อให้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นเนะี่ยแล้วเกิดขึ้นเราแก้ไขมันได้ไหมนั่งเนี่ยสักพักหนึ่งเบื่อแล้วเกิดแล้วใช่ไหมนั่งไปสักพักหนึ่งโวดล้วเกิดแล้ว นั่งไปสักพักหนึ่งหิวเกิดแล้วแก้ไขไปนั่งไปสักพักหนึ่งหิวสั่นเอวันนี้คนที่บ้านเขาจะว่าไงนักเขาจะไปทํางานกูยังไม่กลับมันนี้เออทําไปทํามาไปคิดถึงนุนเฉยเลยนะเกิดแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างเหตุแล้วแก้ไขเหตุสร้างเหตุแก้ไขเหตุไม่มีเหตุสร้างมันขึ้นมามใช่ไหมสรามันขึ้นมาให้เกิดเหตุ แล้วนั่งนอนอยู่ที่ว่าดีๆไม่มีเหตุแล้วก็มาสร้างเหตุให้มันเกิดแล้วมันก็จะทําให้แก้ไขเป็นพอแก้ไขถูกมันกลายเป็นเลยรเป็นผลเหตุเขาเรียกว่ามรักทําแก้ไขเรียกว่าผลเอามรักผลเล็กๆน้อยๆนี่ ก, ก, ก็มันง่วงเป็นเหตุใช่ไหมแล้วแก้ไขง่วงได้เป็นผลมันคิดเป็นเหตุแก้ไขวความคิดได้เป็นผลมรักผลมันจะต้องบรรลุทุกขณะทุกขณะทุกขณะไป บรรลุมรรคผลเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนก่อนที่จะไปบรรลุมรรคผลใหญ่ใช่ไหมแล้วเข้าใจเสริมนิวหน่อยเพื่อให้ชัดเจนนะจากนี้ไปเราจะเขี่ยพื้นที่แล้วก็เดินจูงมสักในนี้สักพักพอตั้งขั้นบนได้เราก็จะไปเดินข้างนอกจนถึงเวลารับอาหารสวัสดีครับพ่อพงกัน ระหังสมมาสัมพุทธโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอาภิวาเอมิสวาคาตวพะขวตาธรมโมธรรมังนามสาามิ สุปาติปนโนะพวะขาวโดสาวกาสังโฆสังขังนา ม, ามีอ่ะไปเคลียร์พื้นที่เข้าห้องน้ำห้องส้วมาะไยเสร็จแล้วก็กลับมาเดินต่อสักพักหนึ่งเก็บหนังสือ